ف َ ن َ ح ق ب ََ ن َ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُصِلُ ا ل ر ِّ ي َ ا ح اللَّهُ الَّذِي يُصِلُ ا ل ر ِّ ي َ ا ح فَتُثِيرُ سَحَابًا ف َ ي َ ب ُْ ر ُ ه ُ ا ل ْ س َ م ا ء ُ إ َِ ف َ ي َ ش َ ا ء فَتُثِيرُ سَحَابًا และยับซุกตัวเขาในสَ د ยไฟยาช้าว่าจะทำให้เขาเ ข้าบบิห์ไม อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮฮอลลฮอััออลฮลลฮลลลลลลอัลลอลฮอลลัลลอฮฮลลฮ و ่ أ ฉันรู้ว่ามูฮัมหมัดเป็นผู ب เป็นอัลลอฮฺ و ละผู ا و ป ك ن ศาสดา ب ัลลอฮฺมะบิก ن าอัลบะฮ์นะ م บิَ้าอ ا ل ซัยนะว ن ิก้าห ا าฮียะว ل ิก้าน ا ا มตุวายล م ยคานุช ا ل ์อัลกุซบิกาลิมัติลลาฮิตามัติม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 พี่น้องที่ ร่วม น, นมาสซุบที่มัสยิดของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายบ็บลฮัมดุลิลละก่อนอื่นพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอ์นะครับให้นึกถึงอัลลอ์เยอะๆให้ตัสบีถึงอัลลอ์ให้ชมเชยสรรเสริญอัลลอ์เพราะการนึกถึงอัลลอ์เนี่ยขจัดโรคแก้โรคได้โรคเครียดๆโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้านะครับบางคนถึงกับฆ่าฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ฝังดินได้พวกนี้นาที่ขาวที่ออกออกมาเนี่ยนะเพราะเรามีในอิสลามมีทางออกหมดถ้าเราตักว่าต่ออัลลอ์อัลลอ์ให้ทางออกหมดเลยจะตั้นให้นึกถึงอัลลอ์ให้ใช้ภาษาที่ท่านนาบีสอลก็คือซุบฮานัลลอฮอัลฮัมดุลิลลา์ ลาอิลาฮิลลอ الله الله أكبر سبحان الملك القدوس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ข้อิดประโยคนี้ให้ว่าซ้ำไปซ้ำมาเป็นร้อยเป็นพันจะทำให้หัวใจของท่านที่อะไรที่เครียด ซึมเศร้าโรคต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะมาหัวคนนั้ น, ะะ น, นดา่าคนนี้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยทำให้หัวใจสงบอุรอานะที่ใยอย่างนี้กับ阿拉บิซ ul ิคริลลาฮิตาตมอินนุลกูลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะทำให้หัวใจของท่านนะมีความสงบเกิดขึ้นแตนั้นวีไม่อยู่ทางเดียวนะให้นึกถึงอัลลอ สรรเสริญอัลลอฮ์พู้ชม ส, สารเสริญอัลลอฮ์ให้อ่านคูอ่อานทิ่กระุลนละนามาจากัด น, นะครับขอบคุณอัลลอฮ์วันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไม่อยู่ไปอยู่นู่นทางอะไรหนอจังหวัดอะไรสงขลาอ่สตูลสองสามวัดก็ก็ไปสอนศาสนานี่แหละนะครับวันนี้เป็น้องเรามา ทบทวนัน อ, อ, อ, อัลกุรอานกั น, นะสุรออลรูมสุรอทีอ่สาอายาที่45สหกับ 46, 47, 48, 4ี่สิกสี่บเจ็สี่สี่อายาเดียวกันครั้งที่แล้วนี่นะครับครั้งที่แล้วเมื่อผ่านมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านกุรอานพบใช่ไหมจะบอกว่าว่ามันมังกฟระฟะอัลไลฮิุฟรุ ว man عَمِلَ ص َ ا ل ِ ح َ ة ً ف, ف, ف, ف َ ل ِ ف َ ل ِ ي أ َ ن ْ ف ُ س ِ ه ِ م ْ يَمْهَدُونَ man كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ و man عَمِلَ ص َ ا ل ِ ح َ ة ً ف َ ل ِ أ َ ن ْ ف ُ س ِ ه ِ م ْ يَمْهَدُونَ ตรงนี้อธิบายเล็กน้อยๆนะเป็นการทบทวนบอกว่า man كَفَرَ ผู้ใดที่ปฏิเสธ ที่ปฏิเสธ Allah, ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธมุฮัมมัดปฏิเสธนบีทั้งหมดที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดปฏิเสธว่ามนุษย์เนี่ยตายแล้วไม่ฟื้นปฏิเสธว่าไม่มีการตอบแทนจากอัลลอฮ์หลังจากถูกให้ฟื้นขึ้นมาคนที่ปฏิเสธเหล่านี้เนี่ยนะนั่นเขากำลังสะสมบาปให้กับตัวเอง ฝ่าไรกูฟรูหูดังนั้นการปฏิเสธของเขาก็ตกอยู่กับตัวของเขาเองไม่ลามไปถึงใครตัวใครตัวมันรับผิดชอบตัวเองนะครับว่ามานามละ่ะผู้ใดที่ทำงานมีอามุที่สอและทมาคาวกาฟารอเดี๋ยมันตกคู่กับอามานาใช่ไหมละ่ะ ปฏิเสธแล้วก็ศรัทธาแต่อัลลอ์ใช้ว่ามานาอมมีลาแทนต้องการจะบอกให้รู้ว่าในาศาสนาอิสลามเนี่ยอามัณฑิตโซแรกที่เราทำอยู่ทำให้อีหมานของเราเสริมอีหมานให้เข้มแข็งอานมาจยาคารอ่านกรุ่อ่านสม่ำเ ส, สมอทำดีกับญาติพี่น้องตัวเองบริจาคสม่ำเสมอให้อภัยกับคนพื้นความดีทั้งหมดเนี่ยนะ พอเราทำไปทําไปทุกว like ันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทําให้อิมานของเราเข้มท่านอรรถเลชัยบอกว่าอวมันงามีลราอลี่หันใครที่ทําอวมันที่สอแล้วอวมันที่สรนั้นตกไปหาใครฟาลีอัมฟุซิมก็ตกไปอยู่กับตัวของเขาเองนะไม่ได้ลามไปถึงคนอื่นแต่ลูกได้เหมือนกันนะถ้าพ่อเนี่ยถ้าพ่อดีเนี่ยพอดีแม่ดีเนี่ย ลูกๆนี่นะเหมือนกับอัลลอฮฺจะโปรดปรานให้นะบางทีลูกเนี่ยไปต่างจังหวัดเขาถามว่ามาจากไหนอย่างมาจากามาจากหมู่บ้านนี้รู้จักคนนี้ไหมว่าผมเป็นหลานหรือเป็นลูกนะเขาให้เกียรติทันทีตัวเองนไม่ได้ทําความดีหรอกแต่พ่อทำํำนี่อลัลลอฮฺกัเมตตาบนบนโลกดุลยาไปนี้นะนี่เล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอาวันนี้มาถึงอายาที่จะไรนะ สี่สิบห้านะครับ li a j a ي i al-ladina amnu wa amil al-salihat min fadli innahu la yuhibbul kaafirin li ว่ามุสลิฮัติมิ่น فضل ิอินนุห์ลาญูฮิบุลคาฟิรินอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัล l อฮฺอักบาร์คุอ่านแต่ละอายันนี้มาจากอัลลอฮ์นะมาจากชั้นฟาชั้นที่เจ็ดนะใครพามายิบรีลไม่ใช่ไซต์ ม่ใช่ไตอนพามากับยิบรีลพามาแล้วิบรีนี่ไม่ให้ขครจับเลยนะสะอาดบริสุทธิ์จกนกระทั่งมาถึงหัวใจท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอยู่บริสันลมแล้วบนท้องฟ้านี่เคลียร์หมดเลยนะมาก่อนเลยไซต์ตอนอยู่ข้างบนขึ้นไปแอบบแอบบแอบบดูฟังข่าว่าอัลลอฮ์สั่งงานมาลายกาอะไรบ้างจะได้นำเอามาเอาม า, ม า, มามหาหมอดูข้างล่างไงนี่ไซต์ตอนมันทําหน้าที่อันนี้อัลลอฮ์เนี่ให้ ม่ให้ชือตอนขึ้นข้างบนแล้วตั้งแต่วันนั้นนะ่าถึงวันนี้เลยนะไม่ห้ชือตอนขึ้นข้างบนแล้วเพราะต้องการจะให้ยิบรีนําอัลกุอารมาจากอัลลอฮ์มาถึงนบีเนี่ยแบบโอ้โหถนนว่างหมดเลยนะกันเรียกว่าไรนะรถจักรยานไม่มีสามล้อไม่มีมอเตอร์ไซด์วิ่งไม่ได้ปิดหมดถนนปิดเปิดให้ยิบรีนลงมาหาอัลลอฮ์มหานบดีหมุฮัมมัดแบบสบายสบามีอะไรมาขวางแบบ ในหลวงจะไปไหนมาไหนรถปิดถนนหมดเลยใช่ไหมนี่แหละคล้ายๆกันเขาเรียนแใครเรียนแบบใครมนุษย์เรียนแบบอะไรลียะจัีลลัลีนอามานุลีแปลว่าเพื่อยะจัียะแปลว่าตอบแทนอัลลัีนอามานุอัลลัีแปลว่าผู้ผู้ที่ผู้ซึ่งอามานูศรัทธา เพื่ออัลลอฮ์จะได้ตอบแทนผู้ที่อีมานผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮฺอักวาส์ลสดงว่าอัลลอฮ์ในเฝ้าจ้องจะมอบรางวัลให้กับคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์คำว่าอีมานต้องกี่ข้อนะหกอามันตุบิลลาห์วะมัลาอิกะติฮิวกุตุบิฮิวรุสูลีฮิวยาวมิลอัคร วับิลข้าดิลขายดิิวัชาริหิมินัลลอฮิทาละอีมานต้องหกข้อนะต้องเอาไว้นึกอยู่ประจำเลยต้องอยู่ในใจทั้งหมดอุลมามะบางคนอธิบายอย่างนี้หข้อเนี่ยสมข้อเอาไว้ข้างหน้าสามข้อเอาไว้ในใจให้นึกอยู่ตลอดเวลาฉันอีมานต่ออัลลอฮอีมานต่อรัสูลอีมานต่อคำพีอีมานต่อวันกิยามะอิมานต่อกฎกดกดัรของอัลลอ อ ي ม ا นตัวมาลาอิกะต้องนึกอยู่สม่ำเสมอใครที่นึกถึงอิมานหข้อในนั้นเขาไม่กล้าทำบาปนะไม่กล้าทำบาปครับแล้วก็วามิลซอลิฮาและประกอบการดีทั้งหลายประกอบการดีกับอิมานอิสลามอีกห้าข้อไงต้องนามาใช่ไหมต้องกราบปฏิญาณสหฮาดะ อัชดาดุอาลลอิละฮิลลลล่าวอัชาดุอานนะมฮัมมัดราะสูลุลลอฮฺวคอมิสานมาดัมรงนมามัดแล้วก็ไวตาอิสกาจ่ายสะการแล้วถือสินอดไปทำฮายีนี่มันงานหนักทั้งหมดน่ะยิ่งทาํารตเนี่ยต้องลงทุนใช่ไหมล่ะโอ้โหทําัสปอร์ตก็เหนื่อยฉีดยาอีกล่ะต้องเข้าหาแท้ก่อนซื้อตงซื้อตัวบางทีก็ถูกระ ง, งับบางมาหม่ยเบบงอะไรบางมันมีปัญหาทั้งหมด นี่เป็นงานอามันติซาเลที่อัลลอฮ์สั่งนบีสั่งจีบรีนมาบอกกับนบีให้ทําอย่างนี้เดินตามคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับทีนี้ใครที่เดินตามคําสั่งของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอห์ลียาจดีอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนจะตอบแทนครับให้กับคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วคนที่มีอามันติซาเลอุลลัอลมอธิบายยังไง น บ, บีอธิบายยังไงครับว่าตอบแทนคนที่มีอีมานตอบแทนคนที่ทําอามัณติซอลและให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวันอาลาแต่พอใจไหมล่ะพอใจครับคําว่าลียายุซียาแปลว่าอะไรนะตอบแทนตอบแทนยุนี้หมายถึงให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มิมฟาบลิฮีด้วยความโปรดปราน นีครับด้วยความโปรดปรานของ Allah, อัลลอฮ์อัลลมากเ อ, อธิบายดีอธิบายอย่างนี้นะคนที่มี إ ي م านต่อ Allah, อัลลอฮ์ إيمان หกข้อนะมีอามันทิตซอแล้เนี่ยไม่ใช่ให้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วจบไม่ใช่พอเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนความโปรดปรานรางวัลพิเศษให้อีกไม่ใช่เข้าสวรรค์แล้วจบนะไม่ใช่ เข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยเป็นรางวัลที่ควรที่มีอีมาญก็มีอามันี่ซอแล้วมาเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยมิมฟารฮความโปรดปรานของอัลลอ์จะเพิ่มให้อีกอะไรบ้างอุลมามะอธิบายดีนะหนึ่งพอเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยนะใครที่เห็นหน้าพระพักอัลลอ์เห็นหน้าพระพักอัลลอฮ์นี่นะลืมหมดเลยอนะ มันมีความสุขจริงๆสุขมากๆได้เห็นพระพรักของอัลลอฮ์สุบฮานาหาูวาตาลาพอเห็นพระพรักเราอัลลอฮ์ว่ามันมันถูกอกถูกใจไปหมดเลยทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันดีใจมากแฮปปี้มากเลยนี่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ข้อที่สองเมื่อเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ประทานเนี่ยอมามัดให้อีกเป็นพิเศษเลยนะ นึ่งอายุของเขาเท่ากับน บ, บีอะไรน บ, บีอีสาเท่าไสาม ส, สามิอยู่ไปตลอดไม่มีคําว่าแก่ไม่มี33 33ิ บ, บ, บจะอยู่กี่ปีกี่ปีก็33แล้วก็ความสูงเท่าไรเหมือนน บ, บีอาดมอ า, า, ามอเลหิสลาฮ์หวงสูง60ศิบองอยู่ไปอย่างนี้แหละอ้าวแล้วก็อะไรนะอัคลากมารยาเหมือนใคร เหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยยูอะสัลลัมที่อิหม่ามอ่านมุ่กี้แล้วอ่านแล้วก็เลือกไปนะ่ะนูนวลก็แล้วมีวายาสตรูนอไรพวกนี้แหละนั่นน่ะมีอยู่อวักหนึ่งนะมารยาของท่านนาบีหนึ่งงดงามจริงๆเลยจากนั้นเอาล็อแถมให้นะหนึ่งให้อายุเท่าไรส3สามให้ความสูงห0สบศอกให้ความหล่อเหมือนนบี ยูซฟมัลัยฮิสลามให้มาระญาตงดงามแบบนบีมุฮัมมัดแล้วให้อะไรอีกให้ภาษาพูดน่ยแบบนบีดาวูดอัลัยฮิสลามนบีดาวูดเนี่ยอ่านคัมภีร์ของเขาเนี่ยนะนกบินเนี่ยปีกอ่อนหมดเลยอ่ะนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะภูเคงภูเขานี่แส้ซ้องตามนบีดาวูดอัลัยฮิสลามแล้วก็หัวใจของเขานี่นิ่มนวลนอบน้อมแบบนบีที่เรียกว่าปลานบีอะไรนบี ยูนุสอะลัยฮิสลามนี่อัลลอฮ์นะประทานให้มิมฟาบุลิฮีจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์ให้เป็นพิเศษอีกอนอกจากนี้มีอะไรอีกความแข็งแรงความแข็งแรงให้ความสุขกับภรรยาภรรยาก็แข็งแรงสามีก็แข็งแรงเท่ากับผู้ชายอยู่ในร่างคนเดียวกี่คนรอ้อยคนเอาได้ไหมเอา <laughs> ทุกคนเอาหมดเลยแข็งแรงดีได้ไม่ดี değil değil อัลฮัมดุลิลลาฮฺอยู่บนดวงจันทรี่อัลลอฮฺแย่เลยแต่อยู่ในสวนสวรรค์ไม่มีกลางคืนไม่ต่างวันมี่กลางวันเอาได้ไม่เอาแล้วก็ไม่ต้องนอนอะ่ะไม่ต้องเพียไม่ต้องปูถัวไม่ต้องทายอย่มองอัลลอฮฺไม่ต้องกินยาลงยาลมไม่ต้องแล้วอัลลอฮฺให้นี่ไะมิมฟาดลีฮิจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺอัลลอฮ์มอบให้เป็นพิเศษเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกตลอดเวลา Allahu Akbar. Alhamdulillah ดีมากนะครับลี้จากสิ่งเหล่านั้นมนุษย์มิรู้สัตย์ที่มี فضل ิเพื่อ Allah จะได้ทรงตอบแทนนะครับผู้ที่ศรัทธานะครับอีมาน6ข้อนะและคนที่มีอามัณฑิตศและให้อยู่ในสวนสวรรค์ของ Allah และยังไม่พอ ยังโปรดประทานเนี่ยอมตความโปรดปานข้ออื่นๆให้อีกที่เขาได้อดทนเป็นมุสลิมอยู่บนดุนยานี่ถูกกังแก่บนดุนยานี่ถูกระเบิดถูกอยู่ถูกเข็นฆ่าถูกด่าถูกฟิตทนนะถูกนู้นถูกนี่เต็มไปหมดแค่ว้ยคราเนี่ยก็ถูกด่าคุ้มหิญาบเนี่ยก็ถูกด่าล้วอดทนยืนหยัดในอิสลามอัลลอฮฺจึง มิมฟอร์ตุลีให้ความโปรดปานเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ ม, ม, มอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาะรักสุดท้ายครับอินนหูแท้จริงอัลลอฮ์หูแปลว่าอัลลอฮ์นะแท้จริงพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยนะและอยู่ให้บูแปลว่าไม่ทรงรักใครครับอัลกัฟิรินผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ทรงรักผู้ปฏิเสธ ในตับซีนอธิบายบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยหมายถึงโกรธใช่ไหมในตับซีนอธิบายรูฮุลมานีอธิบา ย, ie, บายบว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์โกรธบางตับซีนอธิบา ย, บายว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักแสดงว่าอัลลอฮ์ลงโทษนะฉะนั้นทําตัวให้อัลลอฮ์รักดีกว่าอยากให้อัลลอฮ์มันไส้นี่คนไม่เอาศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รักนะ แต่อลัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษทันทีทันใดเลยนะอลัลลอฮ์ให้อยู่สบายนะใช่หรือไม่ใช่เอาคนไม่เอาศาสนาเนี่ยนอนตีสามเนี่ยตอนนี้กําลังนอนอยู่ใช่ไหมนอนสบายไหมล่ะสบายแล้วตอนตีสามมาทำทำท ำ, ทำดีนาม า, แ ล, ล า, าแล้วกินเหล้าด้วยสารพัดแล้วก็มานอนตอนนี้นอนหลับหลเลยเอลัลลอฮ์ไม่ให้มันไหลก็เอาไม้ น, น่า20่สิบมันไหลตีที่ไหนแหละเอานอนไป และอัลลอฮ์ก็พูดในอัลกุรอานว่าใครที่ไม่เอาฉันนะเขามีความสุขมีความสบายฟาริฮาวแปล ว, ว่าแฮปปี้แฮปปี้กี่วันครับธรรมดาแฮปปี้บนดุนยาแฮปปี้ในอาริรอดด้วยใช่ไหมแต่เขาเลือกแฮปปี้แค่โลกเดียวแฮปเลือกชีวิตของเขาแฮปปี้แค่โลกเดียวแต่คนที่ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยเขาแฮปปี้กี่โลกสองโลกเลยนะดุนยาก็แฮปปี้ แฮปปี้มันก็มี ม, ม, มีมีการทดสอบตลอดเวลานะั่นแหละมันไม่เคยมีสบหรอกนบีเองก็ถูกทดสอบนะแต่แฮปปี้ในโลกอาร์เคโรย์อันนี้ยิ่งใหญ่กว่าจานั้นคนไม่เอาศาสนาเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่รักแต่อัลอก็ให้ริสกีให้แบบนี้อนะให้แบบแบบแมวให้ให้แบบนกดีกว่าเอ๊ะไม่ใช่สิให้แบบหนูให้แบบหนูอาฟี่น้องก็เห็นไหมล่ะเวลาหนูวิ่งอยู่ในบ้านเราเนี่ย มันลำคาญเยอะมามันทําอนุนร่วงทําไปนี่ร่วงเราก็นอนไม่หลับกลาคืนหนูเยอะบ้านที่หนูเยอะนะมีไหมมีมก็ต้งกับบ้านสปกปรกล้วทําไงาองจงาจารย์ขจัดหนูก็ไปซื้ออะไรมานะกงกงดักหนูแล้วก็ใส่อาหารใช่ไหมนั่นริสกีอ่าแถวบ้าที่ให้อาหารหนูในกงเนี่ยให้ด้วยความดีใจหรือให้ด้วยความหมันไส เอ็งชั้นน้ำมันไส้เธอนะํำวิ่งรําคาญอยู่ให้อาหารเองกินพอเข้าไปติดกับทันทีเหมือนการโค้นที่ไม่ัอฮศาสาศนาวันนี้อลัลลอฮฺให้อาหารเอากินไปแต่ให้เพราะความมันไส้ไม่จะให้เพราะฉันรักเธอนะฉันเมตตาเธอนะไม่จะให้แบบนั้นครับ อินนูลายูไฮบุลกาฟิรินแท้จริงอัลลอฮ์นี่นะไม่ทรงรักคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธตัวตายแล้วไม่ฟืน้นอาถามพวกเราเนี่ยวะเรานี่ตายกี่ครั้งเกิดเกิดกี่ครั้งตาย ก, ายกี่ตายกี่ครั้งนะตายสองเกิดเท่าไรเกิดสองผมไปถามที่หานใหญ่ บางคนก็ตอบคงเดียวมีสองคงมีเรานี่ตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งมนุษย์นี่ตายสองครั้งเกิดสองครั้งตอนนี้เกิดมาครั้งแรกใช่ไหมเดี๋ยวไม่ช้าก็าจะตายใช่ไหมแล้วก็เกิดใหม่ในโลกอาคีรอคนกาเฟตไม่เชื่อแต่มุผู้ศรัทธาเชื่อแล้วก็เรานี่ตายสองครั้งตายครั้งแรกจะตายตอนไหน ตอนอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนั่นก็เรียกว่าตายแล้วถ้าไม่อ่านกุรานเนี่ยถ้านาบีมุฮัมมัด ม, มาไ ม, ไม่มาสอนเนี่ยเราก็คิดว่าตายตายครั้งเดียวเกิดสองครั้งใช่ไหมล่ะไอ้ตายครั้งแรก ม, มันนึกภาพไม่ออกเนี่ยพอนบี ม, มาเล่าจากกัมพีกุราขนขณะที่เราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณวิญญาณเรามาก่อนนะพอวิญญาณมาวันนี้มาอยู่โลกดุนยานี่เราเกิดครั้งที่หนึ่งใช่ไหม เดี๋ยวก็ตายไปอีกตายครั้งที่สองนะแล้วก็เกิดใหม่ครั้งที่สองในวันติยามะเขาเรียกว่าตายสองครั้งเราเกิดสองครั้งนี่เป็นอังกีษได้ใครที่ไม่เชื่อแบบนี้เองรอไปเดี๋ยวเจอแน่คนกาเฟสไปพูดในวันเกียมาว่าอัลลอฮฺจ่าขอสามได้ไหมละ่ะตายสามเกิดสามจะได้แก้ไขปรับปรปุงตัวเองจะได้มาเรียนศาสนาจะได้อยู่กับอัลลอฮฺอยู่กับรลนี่แหละอัลลอฮฺจะเมตตาฉันเธอะ อ้าวเาอหนังสือทุกเล่มนะคุณอ่านหมดเลยนะยกเว้นคุณอ่านเองไม่อ่านที่ทั้งสังเกตใช้ดีนะสฮะบานาบีเนี่ยหนังสือเล่มอื่นไม่อ่านเลยอ่านไมไม่อ่านครับอ่านเล่มเดียวคือกุรานและอ้ายยกย่องให้เกียรติขนาดไหน อาสาวิกุลน์อวัลุนมิหนั่มุฮัจเรีนวันอันซอรวัตต์บ้างหุมบิอิสาน์รดิอัลลอฮฺอันลอฮฺมารดูอัน่านหนังสือเล่มเดียวคือกุณอ่านอัลลอฮ์พอใจแล้วก็พวกเขาก็พอใจในคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วพวกเราวันนี้อ่านหนังสือทุกเล่มที่ฝรั่งเขียนอันหมดเลยยกเว้นกุณอ่านที่ไม่อ่านแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยแค่อะไรนะฟูลุ้นฝุ่น แค่ฟุ้มานี่ก็ปวดหัวก็เล่นไปน้องก็อเอารถทดสอบมาเห็นเล็กๆน้อยๆนั้นวันนี้นะจะหันเราหันมาอ่านอัลกุรอานแบบซอฮาบ้านบีอัลลอฮฺอักบะจะขนาดไหนครับเราเนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่มนะยกเว้นกุรอานที่ไม่อ่านอ่านเหมือนกันก็อ่านแบบนี้งั้นอย่างนั้นมันจะใส่ใจไม่ได้หาความรู้จะอัากุรอานเลยขาดทุนนาพี่น้องนะนี่เชิญชวนนะเชิญชวนให้มาสนใจกุรอานดีกว่าครับ อัลลอฮ์ไม่รักคนที่กาเฟตแล้วไม่รักใครอีกด้วยไหมไม่รักคนที่มั่วแตา่ดีละเมิดขอบเขตสอัลลอฮ์ไม่รักคนที่ก่อความวุ่นวายบนหน้าแผ่นดินแล้วก็น่า น, น้ําด้วยนีงไงฝุ่นฝุ่นละอองพวกนี้ที่มาจากมนุษย์หมดไอ้คนที่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ชอบคนนั้นนะกลับตัวซะนะอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่ล้อเลมคนที่ชิริก ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ไปหาโต๊ะตะเกียต๊ระยองผูกอาซิมัดผูกนู่นผูกนี้พวกหมอดวงหมอดูทั้งหมดเลิกให้หมดอัลลอฮ์ไม่ชอบนาต่อมาครับอินนัลลอฮะลาอยุฮิบุมังกาณมุขตาลำฟะฮูดอัลลอฮ์ไม่รักคนที่เย่อหยิงจองหองอวดดีแล้วก็ลาอยุฮิบุลฟาริหินอัลลอ์ไม่ชอบคนที่อะไรนะพยอง ใทยพยองหรือเปล่ากอรุณฟิลิปปนฮามานอัลลอฮ์ให้เป็นตัวอย่างไว้แล้วนะพออ่านคนอ่านจะเจออโลรว่าทำไมคนสามคนนี้จึงตกนรกทําไมอัลลอฮ์จึงลงโทษเพราะอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะมากแต่พวกเขานั่นไม่ได้เอาริสกีเหล่านี้มาเป็นสภานที่ให้ชุกตต่ออัลลอฮ์สภาหนาหัวตาแล้วฉะนั้นอย่าอย่าพยองทําให้ขาดทุนนะฉะนั้นมุหมินพู้ศรัทธาต่อหล่อหัวใจของเขานี่นะ ต้องรอบ น, อออน้อมทมตนอย่าเยอหยิ่งอย่าจะหองอย่าคุยโตะนะครับเลิกให้หมดอ่ะทีนี้เมื่ออาทิตย์อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันมีอยู่วักหนึ่งนะที่บอกว่าซาฮอลฟาซาดูฟ <c oughs> <ๆ>ิลบาหริวลบาฮ์รีบีมากาซาบัดไอดินนัเยผมลืมอธิบายอธิบายตรงนี้เลยนะมนุษย์เนี่ยสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินรู้เปล่าครั้งแรกที่เกิดมีการ กราบวเวิตเนี่ยม า, มาอย่างไรในตับสีอยออุตากริชอธิบายดีลูกอาดัมทะเลาะกันมีเชื่อเชื่ออะไรบ้างฮาบีนกับกอบีลใครฆ่าฮาบีนเนี่ยฆ่าฆ่าฆ่ากอบีลใช่ไหมพอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาส่งฮาบีนเนี่ยไปอยู่นอกประเทศในประเทศไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่เมืองน่าจะเป็นเ ย, ยเ ม, มนอยู่ละ อาดานไอเดนไปอยู่ตรงนี้พอไปอยู่อ ย, อยู่แล้วก็นานๆนเขาก็คิดถึงพ่อก็ตั้งใจว่าจะเดินทางกลับไปบ้านไปเยี่ยมพ่อใช้ตอนี่นะตัวแสบอลัลลอฮ์ไม่ใหใ้ให้เราเห็นสินไซตอแต่เล่าผ่านนาบีมาหมายให้นบี ม, มาเล่าว่าใช้ต้อนี่ตัวแสบนะช้ตอนมันยุบอกว่าปั้นรูปพ่อ ปั้นรูปพ่อขึ้นมาเวลาคิดถึงพ่อก็มองหน้าพ่อมันก็หายเศร้าได้ก็ปั้นเลยแต่นี้พอกอบินพอหาบินตายในชะ่ไหมไอ้คนรุ่นหลังบุษยใชตัเองเหมือนกันมันยุให้กราบนี่เป็นที่มาที่ไปของคำว่ามีการกราบจเจว็ตนะครับบนโลกดุนยาใบนี้หลังจากนี่ละลูกอาดัม ที่ทะเลาะกันนี่แหละทําให้มีการกราบเจวเวตเกิดขึ้นบนโลกดุนยาไปนี้ฉะนั้นจึงถ้าส่งนบีมาเรื่อยๆอนี่ใช่ไหมส่งมาทุกยุคทุกสมัยให้มาเปลี่ยนใหม่อกคดะที่เองไปกราบเจวเวตนะั้นมันผิดนะั้นมันบาปนะเลิกให้หมดแต่เลิกได้ไหมล่ะอัลลอาบดุลเลาะหก็ต้องพยายามกันต่อไปพวกเราก็ต้องเหนื่อยถ้าคิดจะทํางานศาสนาะต้องเหนื่อยนะครับและอีกเรื่องหนึง่งก็าบอกว่า มีการกราบเจวเวตเกิดเกิดเกิดขึ้นนี่นะในตัฟซีตอธิบายบอกว่ามันมีอยู่ประเทศหนึ่งนะครับประเทศอิรักเนี่ยอัลลอ์ให้คนดีเกิดมาห้าคนให้คนดีนะคนซอลแลนเนี่ยเกิดมาหาคนมีชื่อด้วยนักยกกับอิมรานวัดสุวายาอุสยาอนัสห้าคนเนี่เป็นอุลมามะหมดเลยเป็นคนซอลแลนหมดเลยนะอยู่ในเมืองอิรัก อยู่ในประเทศเดียวมีอุลมะห้าคนมีคนดีอยู่ห้าคนต่อมาอัลลอให้ตายหมดเลยภายในเดือนเดียวเนี่ยตายเรียบหมดเลยห้าคนนี่พอตายเสร็จแล้วใช้ตอนมาอีกแล้วใช้ตอนมาว่าทารูปทาปั้นรูปโตครูนี่แหละเอาไว้สิ่งคนซอนแล้วนะแล้วก็มองอย่างเดียวนะอย่าไปทำอะไรนะอย่าห้ามกราบนะไปมองมอ ง, มอ ง, มองจะได้หามหายเศร้า เวลานึกถึงตัวครูนึกถึงคนสอนแล้วก็ไปมองรูปพอรุ่นนี้ตายไปรุ่นหลังมาเีกใช้ตอนอยุอีกกราบมันเลยกราบมันเลยนี่เป็นที่มาของรูปเจเวทหรือว่าเจาเวทที่ถูกกราบกันบนโลกดุนยาไปนี่นะครับอัลุบิลลัฮิมินลาลิกนะครับเอาต่อมาครับอายะที่โซยี่อายะที่4ี่สิบหก ว่ามีอ้ายาติให้ยื่นสิลริยาห์มَุัชชรัตวِลิยุดิِุมมิรับมัติวะِิَาจาริِาَฟุลคุบิอัมริวะลิตาบะตะุมิฟอَลิ ل ิวะลาล تَشْكُرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ ر ِ ي َ ا ح َ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ و َ ل ت َ ج ْ ر ِ ي َ ا ل ف ُ ل ك ُ بِأَمْرِهِ واللَّتَبْتَغُ وا مِنْ فَضْلِي وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ. ข้ามดุลิลาข้ามดุลิลาอายะนี้นะครับอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟัง <c oughs> นบีนี่ไม่มีความรู้นะอ่านหนังสือไม่ออกนะเขียนไม่เป็นนะอัลลอฮ์เล่าให้ิบรินนำเอากุรอานอายะนี้มามอบให้กับ น, นบีเพื่อเล่าเล่าให้รู้ว่าอัลลอฮ์นี่นะ ประทานอะไรนั่นก็เรียกว่าความความความโปรดปรานนะครับให้กับมนุษย์บางคนมนุษย์คิดคิดคิดไม่ถึงอ่ะนี่เป็นความโปรดปรานด้วยล่ะบางคนอะเซอร์บืร์ไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องอันนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะอัลลอฮ์ส่งลมมาอ่าลมเนี่ลมลมลมลมนี่เป็นรอห์มะนะมาจากอัลลอฮ ถ้าอัลลอฮ์หยุดลมตายได้ไม่ตายแต่หลายคนไม่รู้เกิดมาก็มีลมอยู่แล้วแล้วมาเดนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มาเดนึกเลยใช่ไหมอะวามินอายาตีและหนึ่งในสัญญาณอาญาต่ว่าสัญญาณสัญญาณต่างๆเป็นพระหุพจน่ะอาญาถ้าอาญาตุนไปเอกพจน์อาญาตแปลว่าสัญญาณเยอะๆไปหมด มากกว่าสามนะหกเจ็ดปดเก้าสิบเป็นร้อยเป็นพันเลยพี่ น, น้องสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรบ้างให้มนุษย์คิดจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นยุสไอยุสซีล่อัลลอฮ์ได้ส่งได้ส่งส่งอะไรครับริยาแปบลบว่าลมอัลลอฮ์ส่งลมเตบเซตอธิบายแปลว่าริยาเป็นคมพะ พ, พ, พ, พ, พูพจน์นะ เา ว, ว่าลมลมดีๆลมเย็นๆลมรําเพยลมดีๆลมเย็นๆส่วนใหญ่มันจะมาก่อนฝนตกพอมืดฟ้ามัวดินใช่ไหมล่ะโอ้เราว่เราก็ดีใจว่าเออฝนจะมาแล้วนั่นแหละลมตอนนั้นแหละลมเย็นๆสบายๆนี่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่อเมริกาส่งมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดสอนให้มุสลิมบอกอัลลอฮ์บอกกันนบหลีไปสอนนะ ลมนี่เป็นความโปรดปานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้มานะอย่าลืมอ ah, ัลลอฮ์นะเวลายือยู่หน้าบ้านลมเย็นเย็นอัลลอฮ์หายใจอัลฮัมดุลิลละขอคุณอัลลอฮ์เป็นเบาว <c oughs> ให้นึกนี่อ ah, ัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานนะผ่านนะบีนะว่าลมเย็นเย็นนั่นเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์ในบรรดาสัญญาณทั้งหลาย มูบาสรอดอัลลอฮ์มุบาสีรอดีแปลว่าอะไรนะเป็นการแจ้งข่าวดีอัลลอฮฺอักบะลมนี่เป็นการแจ้งข่าวดีข่าวดีอะไรฝนจะตกฝนจะตกนี่อัลลอ์ให้สัญญาณหมดแล้วนะก่อนที่ฝนจะตกอัลลอ์จะประทานอะไรมนะันลมลมเย็นๆ พ, พัดมาเราก็ดีใจแต่บางครั้งก็ถูกหลอก บางครังก็ถูกลอกที่ไหนได้แทนที่จะมีฝนกลับมีอาซาบมีพายุลงมาทำลายหมดเลยแค่ั้นเวลาก่อนฝนจะตกมีลมรำเพยมามีลมเย็นๆมาต้องนึกอย่าอเนี่ยจะดีหรือไม่ดีทำลายหรือมีรอมากกันแน่ต้องนึกมุสลิมนี่อลัลลอฮ์สอนให้นึกอลัลลอฮ์ผอกบานพานนาบีนบีไปสอนนะ ให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะอย่าลืมแต่เรื่องดีอย่างเดียวนะไอลมเย็นๆก่อนฝนตกนั้นในสมัยที่ผ่านๆมานั้นถูกลงโทษกันมาแล้วเหรลอยต้องนึกครับพี่น้องต่อมาครับวาลีอยู่ีกอกุมรีบ่าเพื่ออาราคออยู่ีกูลิมเพื่อให้สูงเจ้าได้ลิ้มได้ได้ได้ชิมรส ชิมรถอะไรครับมิรอหมา ต, ติจากความเมตตาของอัลลอฮฺเห็นอย่างครับลมอัลลอฮฺอธิบายเลยนี่เป็นความเมตตาให้มนุษย์ได้ลิม้มให้มนุษย์ได้สัมผสัสให้มนุษย์ได้รับนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺนะลมเย็นๆก่อนฝนจะตกนี่เป็นเนื้อมาตครับบางคนซื่อบือ้อไม่รู้เรื่องเลยอะไรมาเนี่ยลมมามาทําไมไม่รู้ จักนั้นคุณอ่านอายาเนี้สอยคนอ่านกุณอ่านให้นึกถึงอลัลลอฮ์นี่เป็นรัฮมานาเป็นความเมตตาของอลัลลอฮ์นะลมนอาอัลลอฮ์พัดลมในบ้านในห้องเราเป็นนื้อมัดน่ะที่มีคนสร้างพัดลมมาอาลัลลอฮ์ให้ประสิบัญญาสร้างเปิดแอร์อีกไป น, น้องมันต้องนึกเยอะไม่ใช่นอนสบายอย่างเดียวมัได้ขอบคุณอลัลลอฮ์มันจะสุ้อยู่ไปแต่อลัลลอฮ์ไปน้องนี่อพูดถึงลมอย่างเดียวนี่นะทําไม่มีมาเราเพิ่มนะ ฉะนั้นอัลลอฮ์เตือนนะว่ามินอิยาตฮีหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ก็คือเราเนี่ยอัลลอด์ได้ทรงลมเย็นเย็นริยาเป็นพระูพจน์แปลว่าความเมตตานะริยาแปลว่าล ม, ลมดีๆที่ที่ที่เป็น ท, ที่เป็นความดีนะมุบัชชิรอัเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายในกครให้แก่สูรเจ้า วารียูซีกอกุมและเพื่อให้สู่เจ้าได้รายนะได้ลิม้มได้สัมผัสได้ชิมกับความเมตตาของอัลลอให้ลมมาก่อนฝนตกต้องนึกเราได้มาเพิ่มแล้อัลลออักุบัต น, นี่เป็นแห้มาเรงใช่นี่เป็นรามารุใช่พี่นอ้องเอาต่อมาครับวาริตาจรียลฟูลกูบิอัมริอัลลอเปลี่ยนเรื่องคุยอีกแล้ว อัลลอ์คุยเรื่องเรืออีกตาเจรีแปลว่าแล่นอัลฟุลกูแปลว่าเรือครับไอเรือที่มันเดินอยู่ใ น, นมหาสมุทรก็อาศัยลมเหมือนกันเอาวิ่งทวนลมเนี่ยกับกับกับเดินตามลมเนี่ยอันไหนมันจะไวกว่ากันวิ่งทวนลมเราเหนื่อยนะถ้าวิ่งตามลมเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยพยุงเรานี่เป็นเนี่ยมาเป็นความเมตตาของอัลล์เราต้องนึกครับ คนที่ออกกําลังกายวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนะนะพี่ น, น้องครับต้องนึกเยอะนะเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องจดลงว่าคนที่นั่งอยู่ในเรือหรือเป็นเจ้าของเรือเดินในมหาสมุทรทั้งหมดนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่า ว, ว่าเรือในมหาสมุทรนั้นที่มันวิ่งอยู่เนี่ยอัลลอฮ์อนุญาตให้มันวิ่งบนน่านบนน่าน้ํา น, นานะ่ะอย่าไปคิดว่าฉันแน่ฉันแน่ฉันแน่ชันแน่จะให้จมเมื่อไรได้ไหมแท้ทนิยก็จมใช่ไหม ฝีมือใครอ่ะอัลลอฮ์ทั้งหมดนะใ ห, หน ใ, หหนให้เห็นเห็นเเยอะๆฉะนั้นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับให้เรือวิ่งในมหาสมุทรบีอัมริฮีด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยคืออะไรนะด้วยความด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อนุมัติให้เรือแล่นในน่านน้าในมหาสมุทรอัลลอฮฺอัลลอฮต้องนึกถึงอัลลอฮ์ แบบเรามีรถวันนี้นุ่งวิ่งอยู่บนถนนเนีいい่ยอัลลอฮฺอักบารต้องนึกถึงอัลลอฮ์นะใช้แผ่นดินอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะทำได้ิลยแล้วต่อมาครับวาลิตาบตารุมินฟาบลิฮีเพื่อท่านทั้งหลายจะได้แสวงหาอัลลอฮฺลิตาบตารุมนะครับให้ลมมา ให้น้าทะเลมาให้มหาสมุทรมาให้เรือมาใช่ไหยให้ลมมาก่อนฝนตกเพื่อท่านทั้งหลายจะได้แสวงหามิมฟาตุ ล, ลีจากความโปรดปรานของ a l l a ทีนี้ความโปรดปรานนะ่มีสองอย่างไนะอ้ยา น, นี้ตองการจะสอนว่าความโปรดปรานที่ Allah ให้มานะบางอย่างคุณไม่ต้องแสวงเลยทำตัวให้เข้าสวรรค์นเนี่ย อัลลอฮ์ให้โดยคุณไม่ต้องแสวงอะไรให้อายุสาบสให้ความสูงแบบนบีอาดัมหกบให้ความหล่อแบบนบียูซุบไม่ต้องแสวงครับฉันให้เลยแต่บางอย่างเป็นความโปรดปานของอัลลอฮ์คุณต้องแสวงนะทาไม่แสวงไม่จออะไรบ้างริสกีที่อยู่ในมหาสมุทรมีปลาใช่ไหมล่ะเอา้า ถ้าคุณนั่งงอมืองอท้าอยู่ที่บ้านปลาจะมาหาคุณไม่ล่ะ <c ười> คุณก็ต้องมีเรืออีกโอ้มีนั่นมีนี่ไปแสวงหาความรู้ในเรื่องเรื่องอีมานต้องมานั่งที่มัสยิดแล้วมานั่งตัต่ซอร์โบเนี่ยตั้งแต่หก0มงถึงเจ็ดโมงเนี่ยนี่แสวงหารีสกีที่เป็นความรู้ที่เป็นอีมานบอกให้แม่ต้องแสวงหมดถ้านอนอยู่ที่บ้านนะ่ะ <c ười> ไม่รู้เลยใช่ไหมนี่เป็นนี่เป็นริสกีนี่เป็นความโปรดปานที่เราจะต้องแสวงหาอาจะแต่งงานจะมีลูกอา่าอย่าพูดพูดแต่งงานพูดจะเอาจะเอาลูก ส, กสองคนนั่งเฉยไม่ทําอะไรเลยร อ, อจ้าขอลูกสองคนเองต้องเหนื่อยนะไปหามาหาดมาก่อนแล้วไปดูผู้หญิงคนไหนที่คุณพอใจเราให้เลือกอะอย่าเลือกแบบไม่มีหางละ่ะ หางไม่มีเอาใช้ได้แล้วอลัลลอฮ์สั่งนบีให้เลือกคนที่มีาศาสนามีนู่นมีนีอ่อัลลอฮ์สั่งไว้หมดแล้วเนี่ยฉันในเวลาไม่ได้ไม่ได้ขาดตกบกพร่องตรงไหนเลยล้ามเดือดริ้นเลยตกลงว่าความโปรดปรานของอลัลลอฮ์บางอย่างต้องหาต้องหาไหมไม่ต้องหาบางอย่างต้องหากับ เวลาหาแล้วได้แล้วเยอยายิง อ, อย่างกอรูนหนไหมหาเงินริสกีมาเต็มหมดเสร็จแล้วจองหองเยอะ ย, ยิงจองหองอัลลอฮ์ทำลายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลาวะลัลละกุมตัสกูรุนไปสแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์เมื่อได้ไมาแล้วทำไงครับเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาอัลลอฮ์ลลให้เป้าหมายชัดเจนนะ ไปหาความรู้มามานั่งฟังตัปซีดมาเรียนตัปซีดมาอ่านคุรานนี่เป็นริสกีส่วนหนึ่งเมื่อได้แล้วต้องค้างไงต้องขอบคุณอัลลอฮ์รับก็บเปลี่ยนแปลงตัวเองเดินปฏิบัติตามอายะคุรานเอาไปสอนลูกสอนภรรยาต่อไปนี่เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ทั้งหมดพนะี่น้องสุญุตอัลลอฮ์เยอะๆอัลฮัมดุลิลละ อ, อัอลฮัมดุลิลละพี่น้องเราในคุรานสอนดีไหมอัลฮัมดุลิลละสอนดีครับ เนี่ยมาดของอัลลอฮ์ต้องนึกนะเอาเราเนี่ยมาจากไหนมาจากดินใช่ไหมอาดัมอาดัมมาแล้วก็มาสร้างเป็นมนุษย์มนุษย์ในผ่านกี่ขั้นตอนเนี่ยน้ำอสุจิก้อนเลือดก้อนเนื้อมีเนื้อหุ้มกระดูกแล้วคลอดออกมาเป็นเด็กตายก่อนบ้างแทงบ้าง อัลลอฮ์นี่เป็นเนียมาดที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดไม่มีใครทำบนโลกใบนี้อัลลอฮ์จัดการแต่เพียงผู้เดียวอะลัยฮุมดุลิลลาฮฺเอาเงี้ยดูท้องฟ้าบ้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนใครให้อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนะ่ะทำเองได้ไหมล่ะไม่มีสิทธิ์เลยนะ <c oughs> นี่เป็นเนียมามดอัลลอฮ์ให้มาทําไมเพื่อให้มนุษย์ที่อยู่ใต้ดวงอาทิตย์ใบนี้นึกถึงอัลลอฮ์ที่ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลา อัลลอฮ์เราเนี่อัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นผู้ชายบางคนจะเป็นผู้หญิงอีกแล้วมันต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเป็นผู้ชายบางคนเป็นผู้หญิงก็ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นผู้หญิงอยากจะเป็นกระเทยอีกแล้วอย่างนี้เพื่อนเป็นผู้ชายเอาต่อมาก้บอยายะที่ี่สิบเจ็ดนะครับวะลาโคดอารซัลนามิงกับเลิการุสุลันอีลาข้าวมิม فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين الحمد لله ولقد أرسلنا من <ت ص في> قبلك <ت ص في ق> رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فنتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الحمد لله <t'> Allahu <an> a k อ a r a นี้นะครับอ l l ล h ฮ์เล่าให้นบีฟัง ว่าก่อนหน้าที่ฉันจะแต่งตั้งให้มุฮัมมัดเป็นนบีเนี่ยเราได้ทรงรอซูลสอนศาสนามาก่อนหน้าท่านแล้วไม่ใช่ท่านเป็นคนแรกท่านเป็นคนสุดท้ายสอนคนอ่านคนอ่านว่านาบีมุฮัมมัดนี่นะเป็นนบีคนสุดท้ายนะก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมีนบีมาไม้ยมีบางคนก็เป็นรอซูลนี่เล่าถึงรอซูลรอซูลมีห้าคน หนึ่งนบีอะไรนบีนอห์นบีบรอฮิมนบีมูซาอิสานาบีมุ h ม m m a d สลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซุนี่เป็นรสูลกับอัลลอฮ์ส่วนใหญ่รอซูนก็มาถึงมีคำภีรตามมาด้วยนี่เล่าให้นบีฟังเล่าให้คนที่อ่านคุรานฟังว่าเรานี่ยนะก่อนหนะ้าเรานี่มนุษย์เขามากันก่อนแล้วแล้วก็มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนนะไม่ใช่ทิ้งนะไม่ใช่สร้างแล้วก็ปล่อยเปล่า ส่งนบีมาสอนเพราะอะกิดาผิดๆก็เยอะมาสอนให้เข้าใจเลาสอนอย่างงี้ว่ล้ก็ดออาร์เซนาและโดยแน่นอนยิง่งก็เนี่ยแปลว่าแน่นอนยิง่งอัร์เซนาแปลว่าเราได้ส่งมิงกอบลิกะก่อนหน้าท่านก่อนหน้าท่านนาบีม a h ม m a ต์นี่นะเราได้ส่งส่งใครครับรูสูลันบรนดารอซูลหลายคน เห็นพรุพจพสดับก่อนหนะ้าท่านนบีมูฮัมหมัดจะมาอยู่มาสอนอิสลามเบนนครมา ก, การเนี่ยนะเราได้ส่งรสูลก่อนหนะ้าท่านนะหลายคนพี่เนี่ยอธิบายอย่างนี้พี่น้องนบีมูฮัมหมัดกับ น, น, น, นะนบีค น, คนก่อนๆเนี่ยต่างกันนะนบีคนก่อนๆหรือรซูลคนก่อนที่มาเนี่ยมาเฉพาะกลุ่มอ้ากลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มใครกลุ่มมัน แต่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยมาสอนคนทุกกลุ่มต่างกันตรงนี้ดังนั้นนบีมัหมัดเนี่ยจึงมีสิทธิ์ไปสอนในอเมริกาได้ไหมได้ไปสอนในญี่ปุ่นได้ไหมได้อลัลลอฮ์เปิดแล้ว่嘛สอนทุกตารางนิ้บนโลกดุนยาใบนี้หน้าที่นบีมูฮัมหมัดมีสิทธิ์มายืนตรงไหนก็ได้ใครห้ามไม่ได้ดูเราเป็นอุมาท่านนาบีมูฮัมหมัดเราจะเดิญรอยตามสุนหน้า น, นาบีเราต้องเอาอิสลามไปเผยแพร่ทุกบ้านในโลกนี้ สางงามไหมแต่เหนื่อยนะสอนศาสนาพี่น้องใครเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่ผ ล, ลบุญในการสอนมีครับอายุกตัวอย่างนาบีรุ่นก่อนๆน่ะที่คนไม่เชื่อเลยมีไหมมีอ่ะภรรยานาบีนัวเชื่อนบีนัวเปล่าอ่ะแล้วก็นบีน่ะการสอนน่ะก็ก็สอนมีผ ล, ลบุญอยู่แล้วน่ะเขาคนไม่เชื่อผิดเอง ลูกไม่เชื่อผิดเองไม่ใช่น บ, บีผิดนะน บ, บีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฉะนั้นช่วยกันดูแลาศาสนาของอัลลอเผยแผ่อิสลามออกไปพี่น้องอย่าเก็บอิสลามพาเข้าโ่งอกว่าเซอญใครเสียนะท่านสมบัตินช่ไหมนี่ถ้าสอนสอนสอนสอ น, สอนบอกบอกบอกกันก็ถูกด่าว่ากก็ธรรมดาน บ, บีคนไดบ้างที่จะไม่ถูกตำหนิจากประชาชนก็ถูกตาหนิหมดนะท่านเราก็ต้องยืนอย่าต้องอดทน เราล่ามอันบีฟังนะก่อนหน้าที่ท่านจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีคนสุดท้ายมาสอนสถานที่นครมะกาเป็นกรณีตัวอย่างเนี่ยนะเราได้ส่งรอซูลก่อนหน้าท่านมาหลายคนแล้วทีนี้เวลามามาทำอะไรครับอิลากามีหิมไปหากลุ่มชนของพวกเขาแสดงว่านาบีเนี่ยมากลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มใครกลุ่มมันแต่นบีมุฮัมมัดนั้นลิลาลามียูนิเวร์ส ทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของนบีตงองศาอิสลามนะครับต่อมาครับฟาจาอุมบิไบานาจ้าจาแปลว่ามาถ้าตามด้ว ย, ด, วยด้วยบาเนี่ยจาบีเนี่ยแปลว่านำมานบีเนี่ยรอซูลที่มาก่อนหนะ้านบีมุฮัมมัดนั้นนะ่ะนำเอาหลักฐานมาด้วยนะไม่ใช่มาอย่างเดียวนำเอา หลักฐานมาสอนด้วยพร้อมหลักฐานมีมวยจีราตามมาด้วยเอาเช่นนบีอะไรอะ่ะนบีมูซาอัลลอฮ์ให้มวยจีราตเต็มเลยนะอย่างน้อยไม้เตโพธอันหนึง่งแล้วเป็นมวยจีราโยนไปเป็นงูนั่นเพื่อจะให้พิสูจน์ว่านบีเนี่ยมาใช่มาเองอัลลอฮ์ส่งมานะบิลไบยนะีนัดด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแ ล, ล้วก็นบีที่มาทั้งหมด เอาความรู้มาด้วยนะแล้วก็ให้หลักฐานมาด้วยให้มุอาหาิษาตมาด้วยเพื่อจะพิสูจน์ว่านาบีเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์จริงและเป็นไงครับประชาชนรับหรือไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับอืมฟันถ้าไม่รับเป็นไงครับเนี่ยตับซิดกุลตูบีอธิบายว่าถ้าปฏิเสธคำสอนของนบีนบีบางมาก็เหมือนกันถ้าใครปฏิเสธสุนนะนบี ข้อเดียวรู้สองข้อสามข้อระวังให้ตัวให้ดีนะฟันตะกอมนะเราจะลงโทษเราได้ลงโทษไปแล้วดิฟเอ็นเป็ น, เ ป, นเป็นพาสตินเราได้ลงโทษภูเขาไปแล้วคนที่ต้านนาบีคนที่ขวางนาบี น, บ, นบีที่มาก่อนๆ น, นี่จะเป็นกี่คนก็ต่างใครที่ขวางนาบีอลัลลอฮ์ลงโทษหมดรวมทั้งนบีมูฮัมมัดแต่อลัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษอลัลลอฮ์จะลงโทษ หลังตายส่วนใหญ่อุมมนานบีมหมัดเนี่ยอร่อยจะลงโทษหลังตายแต่นั้นๆก็จะให้มีฝุ่นอย่างนี้มาบ้างจะได้สำนึกตัวให้ป่วยสำนึกตัวซะเอ็งทำอะไรผิดหรือเปล่าให้เมียตายเฮ้ยให้ัสินค้าขาดทุนให้มีปัญหาโน่นปัญหานี้ <c oughs> เพื่อเตือนตัวเองจะได้ลํำลึกในความผิดที่อเองทาเอาไว้จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองดีหรือไม่ดี นี่อัลลอ์สอนเลยในการพิริคุอ่านอธิบายชัดเจนครับพี่น้องเอาต่อมาครับมินาลาดีนาอาจัจรอมูเราได้ลงโทษผู้ที่บันดาผู้ที่อจัจรอมูผู้ทาผิดอลัลลอฮฺเราได้ลงโทษบันดาผู้ทาผิดอย่างสาสมอนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีเปเล่าให้คนอาลาฟังเองอย่าตามุฮัมมัดนะ ถ้าเล่ากับพวกเราวันนี้สุนนานะเบเองอย่าต้านนะพยายามเอาสุนนานะเบประชายในชีวิตประจจาบันอย่าเอาออย่างอื่นคําสอนคนอื่นมาแทนสุน่านะเบเพราะสุน่านะเบสอนทุกเรื่องอยู่แล้วถ้าไม่มีจากสุน่านะเบสิอไปหาใครนะสัฮาบานะเบีไปหาอุลามาได้เช่นอะไรบ้างบริจาคเลือดแต่สมัยนบีไม่มี เราก็ถามอุลามะก็ว่าอย่างนั้นอาบริจาคเอาวิญญาณอาไปถามอุลลามะสมัยนบีไม่ ม, มีใช่ไหมก็ไปถามซาะบะอาซาบะไม่มีมอาไปถามอุลามะอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีขั้นตอนในการปฏิบัติศาสนาอยู่แล้วช่างงายง่ายชัดเจนครับพี่นอ้องเอาต่อมาครับอัลลอฮ์ได้ลงโทษคนที่ทําผิดอย่างสาสมนะครับต่อมาครับวรรคสุดท้ายวกานาฮั กอนาไลนานรุลมุมินีอัลลอ์ไอวักนี่ดีมากเลยนะและ <c oughs> หน้าที่อะไรนาะไปวันหน้าที่พักก่อนสิทธิเป็นสิทธิและหน้าที่ของเรามาถึงของอัลลอฮ์อัลล์เล่าเองนะสิทธิของฉันหน้าที่ของฉันนัสรุนแปลว่าช่วยเหลือ ช่วยเหลือครับหน้าที่ของอัลลอ์นี่นะมีหน้าที่อย่างเดียวรับผิดชอบดูแลสรรพสิ่งทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์นี่นะอัลลอ์มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ให้พ้นจากการลงโทษทั้งดุนยาและอาขิวอัลลอฮ์อักบดีได้ไม่ดีนี่อัลลอ์เล่ากันั้นอัลลอ์ประกาศนะผ่านนบีฮานบีสบายใจนะวกานะฮักกอนอะไรนา เป็นหน้าที่ของเราเป็นสิทธิของเราเป็นของอัลลอฮ์ที่จะต้องนัสรุนให้ความช่วยเหลือใครครับอัลมุมินีนผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นคนกาเ ฟ, ฟ่กัเราก็เล่นงานเล่นงานเล่นงานเล่นงานเล่นงานขนาดเล่นงานมันยังไม่รู้สึกตัวเลยนะถ้าไม่อ่านคุรานกํากับชีวิตนะไม่รู้เลยเพราอัลลอฮ์เล่นงานแบบนิ่มๆให้กินเหล้า ทำสีนามอร่อยหมดเลยอ่ะพอพอเป็นโรคพิงจะรู้โอ้ฉันผิดไปแล้วหลายคนใช่ไหมทะเลาะกับเมียตบเมียพอเลือดออกอะไรออกไม่สบานึกสองสามชั่วโมงฉันไม่น่าไปไปทำไมทำร้ายภรรยาเลยนึกที่หลังหมดนะอะไรมาก่อนใช้ตอนมาก่อนเวลามีปัญหาพบใช้ตอนมาก่อนพอเล่นงานเรียบร้อยแล้วมานั่งนึกนกกูทำทไมเนี่ย มันนั่งเสียใจทีหลังมันก็ยังดียังเสียใจบางคนไม่เสียใจเลยเอ่ะจุดลวบ า, ายานนี้ดีไหมดีมากวัคสุดท้ายนะดีนะว่านาฮคอนอาเลายนะนัสรุลมุมินและหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของอัลลอ์คือการช่วยเหลือผู้ศรัทธาทั้งหลายให้มีชัยชนะอัลลอ์ให้ได้ราความสำเร็จ ท่าดุนยาและอาคือเราทีนี้ขณะอัลลอฮ์ช่วยเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทดสอบไหมทดสอบให้เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมให้เงินทองน้อยให้คนดา่ามองไขรมองนบีเป็นแบบมองซอบ้านนบีเป็นแบบถูกตำหนิตลอดยิ่งสอนศาสนายิ่งเอาซุนหน้านาบีมาไปขวางกับประเพณีปฏิบัติที่เราทำกันอยู่โอ้โหประเพณีกับซุนหน้านไปน้องเอออะไรมันจะอร่อยกว่ากัน ประเภทนี้ไม่อร่อยจริงๆพราะพวกเยอะ้าใครมาเรียนาศาสนามาเรียนซูนานบีในหมู่บ้านเพียงคนเดียวนะชาวบ้านจะมองแล้วเองจะนำความแตกแยกมาอีกแล้วต้องอดทนหมดเลยนะครับพี่น้องทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละ Al พี่น้องอธิบายยังไงครับอัลลอฮ์ช่วยผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยในคุณอ่านมีสองสามอายา์นะ อีกทาจะอัลลอฮุซุลลอฮฺใช่ไหมเมื่ออัลลอช่วยเหลือความช่วยเหลือของอัลลอมาวันฟัดท์อัลลอฮฺให้นบีกลับมาพิชิตนครมะกะบ้านเดิมของท่านนบีแล้ววันนี้มะกาเป็นไงครับสางงาใช่ไหมไม่มีจเวดสักรูปหนึ่งอ่ะสชิ้นหนึ่งก็ไม่มีครับอยู่ในใจบางคนอาจจะมีอยู่นะ แต่สถานที่ปลอดภัยหมดเลยครับอิซาจาอันนัสรุลลอฮิมลฟัตวารอไอตันนัสท่านจะได้เห็นประชาชนในโลกนี้นะยาดคูลูนฟีดินิล่ะจะเข้ามาอยู่ในศาสนาอิสลามอัฟว่าจะเป็นอะไรนะเป็นหมูม่มูเป็นกลุ่มกลุ่มประชากรเท่าไรจะเป็นมุสลิมวันนี้2พันล้านกว่าแล้วนะพันสรปีน่มันปีละปีเท่าไหร่เป็นร้อยรล้านนะ เยอะมากเลยจต่อมาครับต่อมาอายะสุดท้ายอัลลอฮที่ยุิลริยา์ฟาทุีรุสฮบะฟยบุดุห์ฟิสซมอกยฟายาชัวยจัลุห์คิสาฟาฟาตารลวดก يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم يستبشرون الله الذي ي ُ س ل الرياح فتثير س ح ا ب ا ف ي َ ب س ُ ه في السماء ก็อ he ีฟายชาและจะเจ้าลูกิสาฟาตาร์ลวดก์ยั่วขุนผินขีลาลิฟ้าอีซาอัฟซาบิฮิมายชาอุมินอิบัดอีลาหุมยาสตบชิรุนอัลฮันองนี้นะครับอลล่าให้นบีมุฮมมฟัง เล่าบอกว่าชั้นฟ้าเนี่ยคนนั่งข้างบินน่ะจะได้เห็นบ่อยก้อนเมฆในตัสซทธอธิบายว่าก้อนเมฆเนี่ยมาจากไหนอ่ะมาจากน้ําทะเลระเหยขึ้นไประเหยขึ้นไปนักวิทยาศาสตร์อธิบายกุนอ่านแต่เขาไม่บอกว่าก็ดีมาจากก้นอ่านเขาไม่รู้น้ำน้ำหาสมุทรในน่องระเหยขึ้นไปกลายเป็น เพราก้อเมฆรวมตัวกันอะดูกุณอานอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่ยุษีลูแปลว่าทรงอาริยาแปลว่าลมเย็นๆนะครับถ้ารีฮุนเป็นเอกพจน์นี่แปลว่าการลงโทษนะถ้าอริยาฮุนเป็นพาหุพจน์นี่แปลว่าลมเย็นๆหมายถึงความเมตตาความดีถ้าเอกพจน์รีฮุนความไม่ดี ลมอันตรายลมพายุแรงแรงมาทําลายก็เรียกว่ารียหุนถ้ารียคนเป็นอะไรนะลมเย็นเย็นเป็นปภูพจน์เอกพจน์เป็นลมที่อันตรายรียหุนลมที่มีแต่ของดีๆมาให้อลลอฮฺได้ส่งลมเย็นเย็นมาลมเย็นทําอะไรบ้างครับสาหาบันประวเมกตูซีรูลอยขึ้นทําให้เมกเนี่ยลอยขึ้น อัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งลมมาให้เมฆลอยเมฆลอยเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้มนุษย์มองด้วยนะนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์เป็นความสามารถของอัลลอฮ์นี่เป็นเนี่ยอามัดเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ให้มนุษย์คนอ่านคัมอานให้นบีได้นึกอัลลอฮ์เนี่ยก้น อ, น อ, น อ, นกอนเมฆอัลลอฮ์นี่ยอัลลอฮ์ให้ก้อนเมฆลอยอยู่ถ้าไม่ลอยอยู่มองพวกเราไม่เห็นเรามองเห็นคนมันไม่เห็นเนี่ยปิดกันหมดเลยนะ่ะ นี่ให้ลอยอยู่ข้างบนใครทําให้ลอยอัลลอฮ์ให้ก้อนเมฆลอยเพราะอะไรครับเพราะลมลมช่วยเรื่องที่สองสหะแปลว่าก้อนก้อนเมฆนะแปลว่าเมฆตูซีรูปแปลว่าลอยขึ้นทําให้ก้อนเมฆนี่ลอยขึ้นประการที่สองฝายยับสูตูหูฟิสมาแล้วก็ทําให้มันกระจายบาซาตต์ยับสูตบปลว่ากระจายให้ก้อนเมฆนี่กระจายไปน้อง กระจายที่ไหนครับฟิสซามาในทองฟ้านั่งเครื่องบินผมนั่งข้างสุดท้ายเมื่อวันอะไรที่แรกมาเนี่ยก็นึกถึงมองก้อนเมฆนึกถึงคุณอาณาญาเนี่ยอ๋อขอบคุณอ๋อเราอยู่เลยกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ไอ้ก้อนใหญ่ๆวลาเครื่องบินผ่านนี่สั่นเลยน้าใจเสียนะสั่นนะก็นึกจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอเลย ฝายาบสูตูหูฟิสมะอัลลอฮ์ให้ลมนี่นะพัดก่อนเมฆแล้วกระจายอยู่ในชั้นฟ้านี่ความสามารถของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าให้มนุษย์ฟังให้มนุษย์ได้คิดนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะอย่านึกเรื่องเมียอย่างเดียวบ้านอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้ก้อนมงก้นเมฆอัลลอฮ์ไม่ให้ให้ด้วยนึกด้วยนะนึกให้เป็นด้วยนะเอาต่อมาครับไก่ฝายาชะตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ จะให้ก้อนเมฆเนี่ยขยายไปตรงไหนก็ได้เลื่อนไปตรงไหนก็ได้จะให้ก้อนเมฆคืออุ้มอุ้มนำฝนเอาไว้นี่นะจะเลื่อนไปเมืองไหนประเทศใดจังหวัดใดหมู่บ้านใดได้หมดอยู่ที่อํานาจของอัลลอฮฺสุบฮานาหวูวาตาละอยากจะให้ฝนตกที่เราใช่ไหมขอเจ้าอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้เมฆมาลงตรงนี้หน่อยอยากได้ฝนนั้นนั้นอัลลอฮฺต้องขออัลลอฮฺเพราะเราเป็นเจ้าของนะอ่ะนะเอาต่อมาครับ ว่าจะจะเอาลูกคิดซและอัลลอฮ์ทำให้ทําให้ก้อนเมฆน่ะเป็นอะไรเลยไหมเป็นกลุ่มอ่าเป็นกลุ่มกลุ่มหนาหนาหรือกลุ่มเล่นน้อยก็ได้ทําให้เป็นกลุ่มก็ได้ให้กระจายก็ได้เป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่คิดซับแปลว่ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนะเป็นก้อนกลุ่มนะครับฟาตาร์ลวาดกอร เราบอกเงินนะบีนะทหาท่านสามารถเห็นได้นะวัด้ก็หมายถึงฝนก้อ น, ก, อนก้อนเมฆนะมันอุ้มฝนอยู่นะวัดแ้ก็แปลว่าฝนท่านจะเห็นฝนนีนะ่มันร่วงลงมามันตกลงมายักษรูอยู่มินขีลาลิฮิขีลานแปลว่าท่ามกลางมินแปลว่าจากยักษรู้แปลว่าออกมาออกมาจากท่ามกลางท่ามกลางเมฆ เม่ก้อนก้อนเนี่ยฝนมันร่วงลงมาจากท่ามกลางนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์อัลลอ์นักวิทยาศาสตร์กว่าจับยุโซได้เ น, น, นี่ยนนให้ความรู้มาแล้วให้ตัวอย่างมาแล้วให้ศึกษาเอาต่อมาครับฟาอิซาอับะบฮี แ, ล ะ, แบบละผู้ใดที่อัลลอ์ให้น้ำฝนนั่นไปตกที่เขาให้น้ำฝนไปตกที่ไหนก็ตามพี่น้องอัลลอ์ให้นะ ให้มาตกที่กทมอัลอลอฮ์ให้ให้มาตกที่คอน c ร e t อลัลลอฮ์ให้แต่ไม่ตกที่คอนตันอลัลลอฮ์ก็ให้ไม่ให้ตกเหมือนกันฉะนั้นการที่อลัลลอฮ์จะให้ฝนตกตรงไหนนี่เป็นความสามารถของอลัลลอฮ์ลวต่อมาครับไมยาชาแก่ผู้ที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์มินไอบาดีจากเบาปวงเบาของอลัลลอฮ์ ให้พวงเบาอัลลอฮได้รับนำฝนตรงไหนอยู่ที่ความสามารถของอัลลอฮจัดการฮาหมุลิลลครับพี่น้องลักสุไทยอิดะฮุมยัสตาบชิรูเมื่อนั้นแหละคนที่ได้นำฝนมาเนี่ยเขาเป็นไงครับเขาก็พวกเขาจะรื่นเริงแล้วก็ดีใจนี่ต้องการจะอธิบายว่าแค่ดีใจอย่างเดียวไม่พอ ถ้าดีใจอย่างเดียวบม่อฝนตกเองทําตัวแบบคนกาฟเฟให้ทำง่ายขอบคุณอัลลอฮ์อั Allah um so ian, อลลอฮุมอซัยบันนาฟิอันอัลลอฮ์จะให้ฝนตกล ม, มามีประโยชน์ อ, อัลลอฮ์เห็นอย่างแค่แคดีใจอย่างเดียวเนี่ยเหมือนใครคนคาฟเฟ่เรามุมเมนต์ใช่ไหมหาโมุเมนก็ต้องต้องเรียนล่ะโอ้เวลาฝนตกขอบคุณอลัลลอฮ์ทำไงสู้หยุดทํำยังไง นึกถึงอัลลอฮ์ทำยังไงอย่าแค่ดีใจอย่างเดียวถ้าดีใจอย่างเดียวไม่ต่างกับแพะแกอ้วควายได้ฝนมาได้หญ้ามาฉันดีใจจริงๆเลยแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นอย่าเป็นคนแบบนั้นเมื่อดีใจต้องอะไรต้องขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อฝนไม่ตกร้อนทาําไงให้อดทนไม่ให้โวยวายด่าอัลลอฮ์เองนี่เขาคิดจากคุณอ่านถึงลท่าแค่อยายะเดียวนาลอฮฺอักบัดเตือนสติอย่างดีเลย ทำดูริละขอบคุณอัลลอฮ์นะตัวงว่าชั้นฟ้าทั้งหมดนี่อัลลอฮ์ให้เราดูอะไรเมฆและเมฆนั้นมีเป็นก้อนลมพาไปเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่แล้วฝนตกลงมาต่อก้อนเมฆน้ำมาจากไหนมาจากน้ําทะเลอัลฮามดูริละเมื่อดีใจแล้วอย่าดีใจอย่างเดียวยิ้มร่าอย่างเดียวต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยนะครับหมดเวลาครับสุภานักอัลลอฮุมมาวะบิฮามดิกะอัลชาดุลัยละอิลลาอิลลาอันตะอัสตักฟิร์กาวะทูบิลัย وصلى الله على محمد وآلِه وصحبه أجمعين